อาจารย์ครับกล่าวนักการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการนอกสถานที่ครับอาจารย์อยู่เชียงใหม่ครับพาคุณแม่มาเที่ยวเชียงใหม่ครับอาจารย์ครับครั้งที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดแล้วครับพระอาจารย์ครับสอบถาพระอาจารย์วันนี้คนไปใส่บาตรกันเยอะไหมครับผมก็พอสมควรประมาณห้าร้อยสามสิบคนเนิน โอ้โหกออาเยอะคระอาจารย์รเอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เยอะอีหวาย<ต>พรุ่งนี้วันพระด้วยแล้วตอนหยุดด้วยคงจะเยอะหน่อยวันแม่ครับผมวันนี้เลยตั้งหัวข้อเรื่องต้นเหตุของความทุกข์ครับพระอาจารย์อยากจะกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์เพราะว่าความทุกข์เราก็ปรเจอทุกคนเราก็อยากจะดับความทุกข์นี่แะครั บ, บอบาจารย์ครับกลับกอบความเมตตาครับผมคือ อริยสัจนี่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันนะข้อแรกในวัตทุกสัจคำว่าทุกข์นี้หมายถึงความทุกข์ใจนะไม่ใช่ความทุกข์ของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี่ถึงแม้มันจะเป็นทุกข์แต่มัน ไ, ไม่ได้อยู่ในอริยสัจมันเป็นทุกขเวทนาแต่มันเป็นตัวที่จุดชนวนให้เกิดความทุกข์ทางใจ เพราะอะไรต้นเหตุของความทุกข์ทางใจเกิดจากตัณหาความอยากอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขหาราบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะถ้าร่างกายแก่เกินไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายนนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสมัครเลือกตั้งเรือเป็นอะไร <kop i> ใช่ไหมดันั้นคนเรากลัวมากความแก่ความเจ็บความตายกัน เพราะมันจะถูกริดลอนความสามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆจากโลกนี้ได้ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเพราะผู้ที่ไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือท่านเหล่านั้นท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเช่นพระอรหันตสาวกของพระเจ้าเนี่ย ท่านไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วถ้าไม่ได้แสวงหาลาภยศรสเสริญหาโลกเสียงกิเลสมันแล้วร่างกายจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายมันไม่ผลเท่ากันหรือถ้าไม่เดือดร้อนท่านอยู่ยังมีความสุขได้ความสุขของท่านก็คือการทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาความอยากท่านั้นเองใจของท่านเป็นนิพพาน มีพานก็คือใจที่ปราศจากตัณหาความอยากที่ทําให้ผู้ที่ยังมีความอยากนี้ทุกข์กันภาวะตัณหาความอยากเสื่อรูปเสียงกลิ่นรดภาวะตัณหาความอยากได้นาบยศรเสิร์นมีภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ลาบยศรเสิริญเสื่อมและหมดไปได้มาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆและเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความอยากสามตัวนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆร่งออรางกายนี้ตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่กับใจที่ไม่ได้ตายความอยากนี่เราเป็นตัวที่ผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายใหม่แต่ก่อนที่จะไปได้ร่างกายใหม่ก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมใช้ใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าทาบุญทาบาปไว้ ถ้าบุญมากกว่บาปก็ไปรับผลบุญก่อนในสวรรค์ชั้นต่งางๆถ้าทำบาสมากกว่า บ, บุญก็ไปรับผลบาปในอบายพอพออิทธิพลของบุญและบาหมดกําลังลงก็จะมารอรับร่างกายอันใหมต่อไปเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอัใหม่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้ พราสิ่งต่างๆที่ใจอยากจะเสพนี่เป็นเหมือนยาเสพติดพอพอไม่ได้เสพแล้วมันจะมันจะเครียดมันจะทุกข์มันจะหุดหงิดมันจะลำคาญไม่ใช่เราสังเกตดูถ้าติดอะไรติดกาแฟานี้ยถ้าวันไหนไม่มีกาแฟดื่มมันจะเริ่มมีอาการแปลกๆติดบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่ติดสุรา ติดทุกอย่างมาติดเที่ยวติดเที่ยวติดอะไรต่างๆพอไม่ได้ทำมันก็จะเกิดความมุงเหยียดขึ้นมาความมุ่งหยียดคือความไม่สบายใจนี่แคือทุกข์กริย์บข้อที่หนึ่งเหตุ ข, ของของการที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนี่การมาตารัตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าอยากจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายกับการที่ไม่ได้เสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องหยุดความอยากให้ได้วิธีใช้ยัหยุดความอยากก็ต้องใช้มัดแปเครื่องมือที่มาทําลายมาแก้ความอยากหยุดความอยากได้ก็คือมัดแปบดบหรือถ้าย่อลงมาก็ศีลสมาธิปัญญาเรารักษาศีลเพราะศีลนี่จะป้องกันไห้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าอยากได้อะไรล้วไม่สามารถไม่มีเงินที่จะไปซื้อมาได้ก็อาจจะต้องไปทําการชุดเจริตเอะไปรักทรัพย์ไปช่อบกงอึมเราก็จะได้เสพในสิ่งที่อยากจะเสพแต่มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าทําบาปแล้วตายไปต้องไปรับผลกรรมในอบายต่อไปก็อย่าทําบาปรักษาศีลไว้แล้วก็ ถึงสินะสินห้า้มาถึงสินแปดเพราะสินแปดนี้จะสกัดกั้นการไปเสกกลางคนห้าสินข้อสามก็จะห้ามร่วมร่วมหลับนอนกับใครไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาของตนหรือไม่ก็ตามไม่ให้สินหกก็ไม่ให้ห้ามความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารเป็นรับประทานยาให้มีเวลามีป ร, ปรามาณปริมาณที่พอสมควร จะเวลาหนึ่งเมื่อก่อนก่อนเที่ยงเช้ารู้สึกเช้าถึงเที่ยงนี่เป็นเวลารับประทานอาหารก็จะได้หลังจากนั้นจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการหาอาหารมารับประทานจะได้มีเวลาไปภาวนาไปชําระใจไปจะปฏิบัติสมาธิแมะปัญญาเพราะสมาธิและปัญญาเนี้ยจะเป็นผู้ที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้จะต้องรักษาสิ้นแปไปก่อนจะได้มีเวลาไปภาวนา ไม่ดูหนังฟังเพลงเสียงย้อนแฉไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามแล้วต้องแน่นนอนหลับมากขึ้นไปไม่โดยไม่นอนบนฟูก น, นนะฮะนอนบนเพื่อนแข็งแข็งมันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่ไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหรือนอหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาจิตยังไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายติดสุขจากการนอน ก็จะนอนต่อไปทาให้สูญเสียเวลาในค่ในการปฏิบัติไปผู้ปฏิบัติต้องถ้าต้องการชำระจิต ด, ด้วยการภาวนาสมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาเมื่อเขาเริ่มมีสินมีสินแล้วก็มีสถานที่ที่เอ่อต่อการบําเพ็ญ้องเป็นสถานที่สงบส ง, งัดไม่เมะอยู่ในป่าให้เขาอย่างเี้ ไม่มีอะไรมายุ่ยมันกวนใจไม่มีโน้เสียงอืง่นโน้ตต่างๆมาคอยดึงใจให้ไปเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาในสถานที่วิเวกแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่เตือนจนหลับเพื่อควบคุมหยุดความคิดต่างๆเพื่อทําใจให้สงบพอมีสติแล้วพออยากจะนั่งสมาีิอยากจะทําจิตให้สงบเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉย เพราะถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จิตจสงบเต็มที่ไม่ได้เพราะจิตยังต้องใช้ครับสั่งงานให้กับร่างกายยังทองานอยู่ร่างกายจิตต้องไม่มีงานต้องทําถ้ำโดยที่ให้ร่างกายนั่งเฉยจิตจะได้มาหยุดความคิดต่างๆได้อย่างเต็มที่เต็ร้อยจิตน้อมจิตสงบปั๊บก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตนิ่งสงบสักแตว่ว่า แล้วก็มีอุเบกขาที่จะมีพลังที่ที่จะไปต้านความอยากต่างๆได้ใจมีเหวขาวใจจะวางเฉยได้ต่อความย่วยโนกลใจของความอยากต่างๆพอมีพลังทำจิตแล้วก็ไปขั้นต่อไปก็ไปทางปัญญาไปสอนใจให้เห็นว่าตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากต่างๆ เราเกิ okay, ความอยากต่างๆงก็หยุดมันด้วยกําลังของสมาธิแล้นก็ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้มันเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงเช็นลาภยศสรรเสริญความสุขอย่างรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเรืของชั่วขา้นาวเวลาได้ก็ดีใจเวลาหมดไปก็จะทําให้เสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะเศร้าก็อยากไปเสกบุกราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นอยากไปทําตามความอยาก มันก็จะหยุดความอยากได้ต่อไปก็จะหยุดความอยากที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นความอยากอะไรก็ถือว่าเป็นความอยากที่ต้องทำให้ใจทุกข์ในภายหลังก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีความอยากตรงนี้อยู่ในใจแล้วก็ไม่มีเหตุไม่ตัวที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดอีกต่อไปแล้วเ้าจะลาส่ง ทรงตัดไว้แล้วในภพดวที่สร้างภพสร้างชาแล้วก็คือเจ้าตัณหานี่พอทำลายเจ้าตัวตัณหาหมดไปแล้วตัวที่มาสร้างภพสร้างชาก็จะหมดไปพอไม่มีตัณหาความอยากถึงเมื่อเวลานั่งกายยังวิชีวิตอยู่ใจก็ยังไม่ทุกข์กับนั่งกายเพราะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ยอมรับความเป็นจริงว่าฝืนไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นสัจธรรมความจริงอ น, นิจจ์อ น, นัตตาถ้าไปอย่างให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดทุกข์ขัขึ้นมาในใจอันนี้ก็สลบ อ, ลอริยสัตสีแบบรวบๆเลยพอจเห็นภาพพอาห้รู้ทางว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้านำการสู้กับความอยาก แต่เห็นภาพชัดเลยครับอาจารย์ครับก็คือต้องทานสีภาวนาะสมก็คือสมถะกับอภิปสนาถ้ามป็นฆระวาสก็ต้องทําทานด้วยเอาเงนไปทําบุญแทนที่ยอนเงินไปเสพ ร, รูปเสียงกลินน่นนั่นนองแทนที่ย้อนเงินไปที่อวไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของรุ่ร้านต่างๆที่ไม่จําเป็นต่อการดำร ง, ง, งชีพแต่อย่างไงต้องตัดตัวนี้ไปทุกครั้งที่อยากจะซื้อของแพงๆซื้อของรุ่ร้าะ เอาไปเอาเงินเก้าที่ไม่ทมําบุญแต่เราจะได้ความรู้สึกสุขใจเห็นใจอยากการทําบุญที่จะมาต้านกิเลสความอยากที่จะใช้เงินไปในทางในทางลามยสรเสริญในทางรูปเสียงกิรลดได้เอาไปยัรู้สึกมีความอยากที่จะซื้อของ แ, แพงๆใช้ของหรูหราหรืว่ามันเป็นมานยาเป็นความหลงเสื้อผ้าราคาแพงเงินราคาถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกัน อาหารราคาแพงอาหารราคาถูกมันก็ทําหน้าที่เล่้ยงดนั่งตายได้เหมือนกั น, นขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ให้ปัญญาครับอขอโอกาสถามจากเพื่อนบ้างนะครับจะบอกเพื่อนเพื่อนใน tik กต็ว่าเริ่มถามคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับคุณแว่นครับวิธีละสักการะทิฐิจนทําให้เห็นถูกว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราจะต้องทําอย่างไรครับ ก็ต้องศึกษาร่างกายดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเช่นเราท่านสอนแล้วเราแยกแยะอาการสามสิบสอออกมาแยกเป็นส่วนๆเอามากรองไว้เอาผมไม่กรอ ง, อ ง, องเอาขนไว้กรองเอาเล็บไว้กรองเอาฟันไว้กรองเหมือนกับที่เขาแยกรถยนต์ชิ้นส่วนนรถยนต์นะพอแยกไปหมดแล้วามันจะเห็นว่าเราถามว่าเราตัวเราอยู่ในส่วนไหนของอาการสามิสองนี้อยู่กับผมเหรอเราเป็นผมหรือเปล่า เราเป็นคนหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่ า, านะโกนผมทิ้งไปแล้วเราตายเราตายหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าเราเป็นผมอก็ค้นไปทั้งสามสสองอาการมันก็จะเห็นว่มามันเป็นเทโลกายส่วนประกอบของร่างกายทํามาจากธ า, าตุสี่นิ้นน้ำนมไฟได้โดยต้นนี้ม่เกิดจากจิตไปยึดไปปรุงแต่งขึ้นมาเองนอกจากจิตไม่มีร่างกายจิตเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปนหน้าตา พอได้มาครอบครองร่างกายพอเข้าออกมาจากท้องแม่ ก, ก็เลยเห็นร่างกายนี้เป็นตัวของตนเองขึ้นมาอย่าง mm hmm. นี้ต้องสอนจิตว่าร่างกายไม่ใช่ตนแล้วตัวคําว่าตนนี้ก็เกิดจากสมมุติเนื้อใจปรุงแต่งขึ้นมาเองใจก็ไม่ใช่ตัวตนใจก็เป็นตัวรู้งท่านเองัวที่มีความสามารถที่จะรู้ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดได้แต่ไม่มีตัวตนนในในใ น, ใน ในตัวใจคือใจก็คือธาตุโล้์ร่างกายก็คือธาตุสี่ในน้ำนวลไฟต้องศึกษาแล้วก็จะเห็น อ, อแล้วเราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับร่างกายได้จะหยุดมันไม่ให้ืจะเจริญเติบโ ต, ตก็ไม่ได้เวลามันจะเจริญเติบโตมันก็โ ต, ตไปเรื่อยๆจะห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายก็ไม่ได้ในเวลาเป็นอย่ เป็นเป็นเหนธรรมชาติอื่นๆเช่นดินละดินฟ้าอากาศเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้แต่สัง่งก็จะห้ามไมให้ฝนตกไม่ได้แต่สัง่งก็จะห้ามมาให้แดดออกไม่ได้เป็นเรื่องวิถีของของธรรมชาตินั่งกายก็เป็นวิถีของธรรมชาติเหมือน ก, กันรรมไม่มีตัวตนอันนี้เมื่อตอนพิจารณาด้วยปัญญาไปแล้วต้องไปทําข้อสอบอันนี้เป็นการทําการบ้าน อะไรกับร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราต้องไม่ไปทุกข์กับมันกลไม่สบายขึ้นมาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่สามอันนั้นจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ้ถ้ามันเป็นตัวเราเราก็เราก็ตื่นเต้นตกใจแต่มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่หลงคิดว่าเป็นตัวเราถ้าเราอยาก ยังไม่ทุกข์กับมันเราก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลามันจะตายก็ผดไม่ได้ห้ามไม่ได้อยู่ดีถ้ายอมยอมให้เป็นไปยอมรับความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกข์ถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปหรือถ้าขเกียจรักษาบางทีการรักษามันท้องมากกว่การปล่อยให้มันตายก็อย่าไปรักษามันก็มี ผู้บ้าจ้าส่วนใหญ่แนละ้วท่านรัก ถ, ถ้าถึงขีดที่เขีดสุดท้ายแนละ้วท่านมากักจะไม่รักษานะแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของมันอต้องไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าเราปล่อยวางร่างกายไนดะ้หรือเป่าเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราได้หป่าถ้าเห็นจริงเวลาร่างกายเป็น้รเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะเห็นร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นคนที่เราไม่รู้จักเนี่ย คนที่รไม่รู้จากเขาเป็นอะไรตายเราไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจไม่รู้จักไม่รู้เจออะไรเลยเช่นใดเราก็ต้องมองร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเพราะมันจริงๆมันก็เป็นร่าไม่ใช่ตัวเราของเราเยอยนนู่นะเราต้องท ด, ทดสอบาที่จ ะ, จะต้องเจอข้อสอบถ้าอยากจะถ้ายัางรอไม่งั้นหนึ่งวานก็ลองไปอยู่ในที่สถานที่หน้าหวัดเสียหวัดก่อนดู ในป่าในเขาที่อาจจะมีสิงส า, าสอนุสสารต่างๆแล้วตัวสอนดูว่ามีความกลัวกลัวตายมาก่อนแล้วมันก็กลัวตายใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่ในว่าผู้ที่ตายไม่ใช่ใจผู้ที่กลัวคือใจผู้ที่กลัวไม่ตายผู้ที่ตายก็คือ ผ, ผู้ที่กลัวก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายร่างกายไม่รู้มันจะตายจะเป็น มันไม่มีความสามารถที่จะรับตัวเรื่องตัวของมันเองได้ก็ต้องใช้ปัญญาแง่เนี้ ย, ยเพื่อดับความคุบอยับดับความกลัวให้นด้ถ้าดับควา ม, ม ท, าทุกข์ดับความกลัวได้ในเส่วนก็ต้องปล่อยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดน้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้ายอมรับได้ปล่อยได้ใจก็หายทุกข์หายกลัว อยากทราบว่าถ้าเราทำทานเยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญอย่างนี้ตายไปเราจะได้บุญไหมครับเงืนอการทานกับบุญนี่ก็เหมือนกันคำว่าทานนี่แปลว่าการให้ที่เรามาแยกคำว่าการให้เป็นสองอย่างถ้าให้พระเราเรียกว่าทาบุญถ้าให้สัตว์เนื้ า, าให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นพระเราก็เรียกว่าทาทานแต่คำจีบการให้นี่คือทานที่แปลว่าการให้ ให้พระก็เป็นทานให้คารวะญาญโยมก็เป็นทานแต่อันนี้ส์ที่ได้รับจากการทําทานก็คือบุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากเวลาที่เราได้เสียสละทรัพย์สินของเราเพื่อความสุขเพื่อบรรเทาความทุกข์ยางเห น, นื่อยล้าของผู้อื่นมันจะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกสบายใจสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคือบุญคุณดําครับ ความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเราใช้วิธีรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งความอยากซึ่งเป็นเหตุของทุกข์จะหมดไปได้หรือไม่ครับรู้ทุกข์อยาจำจำ่างแจ่มแจ้งไหมายถึงน้อย่างไรไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่มีใครอยากจะรู้ทุกข์หรอกอยากจะให้ทุกข์มันหายไปมากกว่าฉะ <c oughs> <c oughs> มันเวลาไม่สบายนี้ให้ดูนไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไม่สบายไปเรื่อยๆ ไม่มีใครอยากจะปล่อยให้มันไม่สบายไปเรื่อยๆต้องกบจัดความไม่สบายให้ได้ต้องไปหาหมอไปรักษาฉันในใจทุกข์ก็เหมือนร่างกายไม่สบายใจไม่สบายเราจะปล่อยให้มันไม่สบายไปเรื่อยๆก็ทนไหวเลยเวลาใจทุกข์ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องแก้วิธีที่ถูกต้องก็คือไปแก้ที่เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยาก แต่บางคนเราไปแก้ความทุกข์ด้วยการเอาความสุขมามามามาทับถ ม, มใช่ไเวลาทุกข์ไม่สบายใจก็ไปเที่ยวสัก3ามวันด่นางง่ายไปเที่ยวสักสามวันให้สบายใจใช่เวลาไปเที่ยวก็ลืมความทุกข์ได้ความทุกข์แต่พอกลับมามาเจอปัญหาเดิมก็ความทุกข์เดิมก็กลับมาตั้งใจทำใจให้สงบ แตละวางเรื่องความรักได้อย่างไรครับถ้านําใจให้สงบได้ความรักก็จะหายไปหัวใจจะเป็นโอเบกคาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคุณรัชนีครับการภาวนาเพียงชั่วลัดนิ้วมือหรือเท่าสูตรดมของหอมนั้นมีบุญมากกว่าการทําทานหมายความว่าอย่างไรต้องจิตรวมด้วยใช่หรือไม่หรือว่าแค่ภาวนาก็เป็นบุญแล้วของความกระจ่างเลยครับ อภิธรรมะไม่เป็นเราต้องได้ผลของการภานาะคือเจ็ดดวนเป็นสมาธิแม้แต่เชื่อวินาทีหนึ่งเช่นเขาเรียกว่ากาิ่งสมาธิแต่ความสุขที่ได้สัมผัสนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าคว า, ความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานเป็นร้อยร้อยเท่าพันเท่ากว่านาเลยดัน้นคนที่สัมผัสกับความสุขทางสมาธิแล้วก็จะไม่ช็อกไม่ยึดติดไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ความสําคัญกับการทําบุญทําทาน ให้ความส ำ, มสำคัญของการไปภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธถ้ามีโอกาสต้องทำเมืม่อทำก็ทำไปและไม่ได้ถือเป็นภาร ก, นะกิจหลักะภารกิจหลักก็คือการภาวนาเพราะผลตอบแทนมันได้สูงกว่าการทำทานเวลาเรากรวดน้ำควรกรวดแบบไหนที่ผลบุญจะส่งถึงผู้ล่วงลับไปแล้วได้ครับ บนด้วยใจไม่ต้องใช้น้ิก็ได้ตั้งจิตไว้พอเราใส่บาศเสงหรือทำบุญทำทานเสร็จแล้วเกิดความสุขใจเ็บอกโอ้ทีส่วนบุญนี้คือความสุขใจนี้ให้กับท่านที่ลงรับไปราบชื่อ น, นั้นชื่อนี้ก็เสร็จคุณแว่นครับอวิชชาคือต้นเหตุ ข, ของความทุกข์เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอวิชชาก็คือการไม่เข้าใจหลักไม่รู้จั ก, กา ร, ริยรัตสัจ ส, สีว่าเป็นย่าง ไม่รู้ว่าทุกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่รู้เหตุของความทุกข์ก็หลยไม่รู้ว่าจะทําให้ทุกข์ดับไปได้อย่างไรเราไปแก้ความทุกข์ด้วยวิธีที่ผิดที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นสองทางสุดตรงสองทางก็ไปหาความสุขทางโลกจากลาบยศสรรเสริญมาดับความทุกข์ทางใจซึ่งดับไม่ได้หรือไปทรมานตนด้วยการไปทรมานร่างกายด้วยเอาของของคมของแหลมมาทิ่มแทงในไว้อวัยวะต่างๆของร่างกาย เพื่อที e ่จะได้สร้างความความความทุกข์ทางร่างกายแล้วจะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ความสุขทางร่างกายก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจจะดับได้ก็ต้องอาศัยการหยุดความอยากด้วยการเจริญสินสมาธิปัญญาทั้งนั้นที่พระเจ้าบอกเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ที่เป็นองค์งที่สี่ของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนโ่รอดมากการสร้างบุญบารมีต้องทําอย่างไรครับก็ไปศึกษาเลยมีบารมีอยู่สิบข้อด้วยกันข้อหนึ่งให้สร้างบารมีด้วยการมีความเมตตาเรียกวสร้างเมตตาบารมีเมตตาก็คือถือทุกคนเป็นมิตรไม่ถือใครเป็นศัตรูใครใครจะมาทำร้ายเราไงก็ยังถือว่าเป็นมิตรให้อภั แล้วถ้าเราให้ความสุขเขาได้ก็แบบปันความสุขให้กับเขาไปหรือ ท, ทำอะไรก็ไม่ไปเบียดเบียนให้เขาเกิดความเสียหายเดือดร้อนนี่คือการสร้างเมตตาบารมีตามด้วยทานบารมีเมื่อมีเมตตาก็จะทำทานได้ให้ได้ให้ความช่วยหรือให้ความสุขแล้วแต่ว่าผู้รับต้องการอะไรก็ให้เขาไปเราก็มาสร้างบารมีที่ฉางก็คือเสีงบารมี ล้เป็นจากการไปเบียดเบียนพูด้ด้วยการไม่ทำบาปห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายยาเมาเรือของมึอนงงทั้งหลายท่านสร้างศีลบามีแล้วก็มาสร้างเน้นธรร ม, ม, มบามีเน้นธรรมบารมีก็คือการหยุดการหาความสุขจากการเสียงรูปเสียงกลิ่นมาด้ก็คือไปถือนศีลแปดนั่นเองทิศถือนศีลเพิ่มอีกสามข้อ จากสิห้าก็ถึงสิบแปดสิบแปดนี้ก็คือเนตรธรรมะแล้วเป็นจา ก, การหาความสุขจากการเสดกรรมเมื่อเราได้เนตรธรรมะแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อเจริญบารามีข้อต่อมา ก, ก็คืออุเบกขาบา ร, รมีพอเราได้อุเบกขาบา ร, รมีแล้วก็พร้อมที่จะไปศึกษาทางปัญญาค้นหาสาเหตุ ข, ของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไร แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลสอนนี่คงจะยากอาจจะต้องค้นหาไปหลายแสนชาติแล้วกันแต่ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยปัญญาก็คือทุกใจเกิดจากความอยากละความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปถ้ามีอุบเบกขาบามีอยู่แล้วก็สามารถใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์ได้เช่นตอนที่พระพุธสสทธเจ้าทรงแสดงธรรมบทพวกนักบวชขั้นแรกเนีัญญาวิเคราะห์ พวนี้เขาไม่มีอุเบกขาบารมีนะแต่เขาไม่มีปัญญาบารมีเขาไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเขาเกิดจากความอยากต่งางๆพระพุทธเจ้ามาแสดงอันนีส้ ส, สัตจสว่าความทุกข์ใจของพวกเธอเกิดจากความอยากถ้าท่านมีอุเบกขาท่านก็มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้องค์ก็หยุดความอยากเช่นพระอัญญากนัญะก็บรันตุเป็นพระโสดาบันหยุดความอยากแม่แก่ไม่จิตไม่ตายไนดะ้เพราะเห็นด้วยปัญญามะ นั่นกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่คือปัญญาบารมีใ น, นการจะบำเพ็ญมารมีทั้งหกนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาสี่ข้อด้วยกันคือปัญญาที่สนับสนุนก็คือต้องมีอธิษฐานบารมีแล้วต้องจันกิตอธิษฐานว่าทุกภพทุกชาติาที่เรามาเ ก, กิด น, นี้เราจะบำเพ็ญบารมีไม่ว่าจะเป็นบารมีข้ อ, ขอไหนข้อหนึ่งก็บำเพ็ญึงถึงเวลาต้องบำเพ็ญน เมตตาก็มองเพ่นไปถึงเวลาต้องทำทาน่ารมีก็ทำไปถ้าตั้งสัจจะว่าเราจะไม่มาหาความสุขจากลาภยศสันเตอนพวกนี้จะเป็นพวกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่เขารู้ว่าความสุขจากโลกกระทำนี่เป็นความทุกข์เขาอยากจะหลุดออกจากความทุกข์ต่างๆเขาก็เขาก็จะไม่ไปแสวงหาความสุขจากโลกกระทำเขาก็จะมาแสวงหาการสร้างบารมีต่างๆ แล้วการตั้งสัตใจอธิษฐานแล้วสามารถทําตามได้ก็ต้องมีสัจจะพอตั้งแล้วต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้ไม่ให้ตั้งใจไว้แล้วพอถึงเวลาทําก็ขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่ทําหรือเหนื่อยมากอิ่มมากเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ไม่ทำเองอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะก็ถ้าไม่มีสัจจะก็จะไม่ได้ทําตามที่ตั้งใจไว้ต้องมีสัจจะอธิษฐานแล้วก็มีความเพียรวิริยะ ถึงเวลาต้องเจริญสติก็ต้องเจริญสติถึงเวลาต้องนั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมา ธ, มาธิถึงเวลาต้องพิจารณาธรรมก็พิจารณาไปแล้วถ้าเจออุปสรรคต่างๆก็ต้องมีขันติความอดทนนี้ก็ว่าบา ร, รมีสี่ข้อที่ต้องเป็นบา ร, รมีที่จะมาสนับสนุนให้ใจสามารถสร้างบา ร, รมีหกข้อแรกได้รวมกันก็เป็นสิบบารมีสิบเนี่ยก เป็นเป็นผลต่อเนื่องกับพปสิบอย่างเลยนะครับรอาจารย์ืมคุณซีโนครับถ้าในปัจจุบันกิเลสนอนก้นผมควรเอากิเลสในอดีตมาพิจารณาหรือควรปฏิบัติให้มากขึ้นดีครับมันไม่ได้นอนก้นหรอกมันออกมาแสดงทั้วันเองแต่คนมองไม่เห็นเองไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสนะเห็นแต่คนคิดว่าคิดว่าตัวผมเป็นตัวตวนเองก็เป็นกิเลส ข, ขึ้นมาแล้ว ทำอไรเพื่อตัวเราเนี่ยก็มันกีเลศขึ้นมาแล้วมันไม่ได่นนอนก้นหรอกอยวไปหลงหรอกเราวิเศษขนาดนั้นเหรอถ้ามันทําให้กีเลศนอนก้นได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมันบางครั้งมันยังไม่มีอะไรไปกระตุ้นมันเราลองทดสอบดูเนี่ยลองไปทําร้ายผู้อื่นดูแล้วดูเวลาเขาตอบโต้เราเราจะเราจะเฉยได้หรือเปล่ากีเลศยังจะนอนก้นได้อยู่ ไม่ดา่าใครต้อดูสิว่าเขาจะทำอะไรกับเราหรือเปล่าถ้าเขาด่ากับทุกติเราเราจะโกรธหรือเปล่าต้องปลุกปลุกกิเลสให้ตื่นขึ้นมาถ้ามาันอนก้นอยู่วิธีการภาวนาคือการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจครับการภาวนานี่คือการเจริญสติให้อยู่กับสติใดสนันอย่างอารมณ์ใดอารมณ์อย่างที่เรียกว่ากรรมฐาน ถ้าเราใช้พุทธานุสติแล้วก็เราร้องถึงพุโทโธพุโทโธทําให้ในทุกสี่ิยาบุแต่ถ้าอยากจะเจ็ดให้นิ่งสงบเป็นสมาธิก็ต้องทําในท่านั่งถ้าเวลาเรานั่ ง, น, งนั่งได้ไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอินเดียบุก็ยังต้องก็ต้องใช้ภาวนาต่อไปก็ทำบริกรรมพุโทโธต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้อานาปนานสติเวลานั่งแล้วก็ดูลมหายใจเขาออกที่ปลาจะูกถ้าเกิดเรานั่งนั่งไปสักพักเรานั่งทนไม่ไหว ก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็เปลี่ยนจากการโยนบอมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนต้องมีอะไรเป็นงานให้จิตทำไม่ให้ไม่ให้ปล่อยให้จิตไม่มีงานทําเพราะไม่มีงานทําแล้วมันก็จะไปคิดปรุงแต่งแล้วเกิดความลาโลภโกรธหลงตามมาท่านเดิมถามเพิ่มว่าการทํำพิปัสนาทําอย่างไรครับ <S 1> <S 1> ก็นี่แหละการศึกษาลริยศรรษษัตรีการศึกษาอันนี้จังทุกขังอนัตตา มีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ไม่ใช่เป็นอ น, นิจจ์ไม่เป็นอนัตตาไม่มีมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไม่มีหรอกแม้แต่เงินทองที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันยังทําให้เราทุกข์ได้เลยพอเงินไม่พอใช้ทุกข์ก่อนได้ไหคุณสุกตาครับ พวกทหารรบในสงครามหรือทหารที่ขับเครื่องบินรบเขาต้องมีสติจดจ่อในภารากิจมากมากและเหมือนจัสละชีวิตได้ถ้าเขามีโอก า, าสได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะมีโอกาสที่จะจิตรวมไวและสามารถละสักกะยทิฏฐิได้โดยง่ายเลยไหมครับก็แล้วแต่จิตของแต่ละคนอนี้อยู่ที่ว่าเขาสนใจที่อยากจะปฏิบัติหรือไม่อันนี้ไม่สามารถที่พูดรวมๆได้ การบริจาคโลหิตได้บุญเรื่องไหนครับก็ได้บริจาคอวัยวะเลยซึ่งมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองทรบริจากตาข้างหนึ่งบริจาคไตไปข้างหนึงเนี่ยมันได้ผลประโยชน์มากกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าได้ได้ประโยชน์มากแค่ไหนก็ดูถ้าถ้าเขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่ซื้อขายไตยอันหนึ่งราคาเท่าไหร่ ก็หมกับเราก็ได้ทำบุญในราคานั้นอ่ะเพียแต่เราไม่คิดเงินเขาแล้วเราบมิจากฟรีๆไม่เอาเงินตอบแทนคุณวันนภาครับเราเลี้ยงสุนักแล้วให้สุนักกินยาฆ่าเห็บสมควรไหมครับอันนี้ถ้าม็นมีเจตนาให้มันสุนักมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่มีเจตนาผู้ที่มีเจตนาก็คือเราเนี่ย อยากจะฆ่าเห็บเราก็เลยให้สุนัข ก, กินยาฆ่าเห็บพอเห็บตายเราก็เป็นผู้รับผลบาปส่วนสุนัขเขาไม่นู้อีหน่อยอนเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นผู้รับผลบาปสุนัขเป็นเหมือนเครื่องมือฆ่าเห็บอีกที <S <S <laughs> หนึงเวลาเราเอามีดไปแทงคนตายเนี้ยมีดไม่นู้นอีหน่อยอนเนี่ยมีดไม่ได้เป็นผู้รับผลบาปแต่อย่างใดแต่ผู้ก็ทําคือผู้ที่ใช้มีดนั่นหละเป็นผู้ที่ต้องไปรับผลบาป ทุกความทุกความจริงแล้วคือกายใจนี้ใช่ไหมครับเมื่อรู้ว่ามันทุกเราควรทําใจอย่างไรครับก็มันมีทุกสองแบบไงทุกกายกับทุกใจเราต้องแยกย้ำมันคนละเรื่องกันทุกกายนี่มันก็บางทีก็ดับได้ด้วยการไปรักษาพยาบาลเวลาไม่สบายก็ไปหาหมอหมอวิเคราะห์หาสาเหตุได้ก็ให้ยากินความทุกกายก็หายได้ส่วนความทุกใจนี่ หมอถ้าไม่ลงโรงพยาบาลรักษาให้ไม่ได้ต้องไปหาหมอพระหมอพระนี่ถ้ากันยังรู้ว่าคุณไม่สบายใจเพราะความอยากอยากได้เป็นนายกแล้วพอคนไม่ได้เป็นคุณก็เสียใจถ้าอยากจะหายเสียใจก็เปลี่ยนใจถ้าอย่าไปอยากเป็นถ้าไม่ได้เป็นแล้วยังอยากไปเป็นอยู่ทําไมกไ็ไม่เป็นก็ได้พอเปลี่ยนใจไม่เป็นก็ได้มันก็หายทุกทุกคนอยากกัน คุณนันประพาธครับถ้าต้องการทำบุญให้ผู้เสียชีวิตไปแล้วระหว่างเอาปัจจัยบริจาคให้โรงพยาบาลกับทำสังฆทานโดยใช้จำนวนเงินเท่ากันได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะบุญมันเกิดจากการบริจไม่ได้เกิดจากผู้รับทำอย่างไรเราจะละนิวรห้าได้อย่างแท้จริงครับอ้าวเราก็ต้องรู้วิธีแก้มันเล ฉะนั้นเราต้องในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นแต่เราเข้าออกเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนกระทั่งเราไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงหรือไม่ถ้าเรามีนิวรณ์ที่เกิดจากการบาราคะอยากจะเสพกา ร, รกับคนนั่นคนนี้อยู่เรื่อยๆก็พิจารณาสุภาพไปพอเห็นนั่นกายไม่สวยไม่งามเป็นโครงกระดูกมีตับไตไส้พุงมันก็ความอยากจะเสพ รวมรับนอนกับคนนั้นก็หายไปถ้าเกิดความโกรธก็ให้ใช้ความเมตตาคือให้อภัยอย่าจองเวรจองกลับกินอันนี้ว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วจ่ายขึ้นไปแล้วการจองเวร น, นี้ยิ่งไม่ย่อมไม่ระงับเวรไม่เสียอด้วยซ้ําไปเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ได้ระงับด้วยการจองเวรให้เขียนอย่างนี้แล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจบไปให้อภัยเข้าไป แล้วก็ถ้าเร า, เรามีความเกลียดคายง่วงนอนง่วง เ, เหาเขานอนเวลานั่งสมาธิเราชอบนั่งสบายๆก็ต้องไปถือสิงเตะอย่า ก, กินข้าวเยน็นกินมืออ้อเดียวอยนี้เป็นต้นก็จะช่วยบรรเทาความง่วงเอาเหาหนอนได้แล้วอันสุดท้ายความพุ่งสัน้นความุ่งสั้นเกิดจากการไม่มีสติครอคุบความคิดนั่นเองเราก็ต้องหัดจาระสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธพุทโธไปเรืเร่อยๆ แล้วความสุกความคุ้งซางจะไม่เกิดขึ้นมาคุณเพิ่มศักดิ์ครับเอากรงดักหนูแล้วไปปล่อยบาปหรือเปล่าครับถ้าบังเอิญเราลืมไปดูกรงทําให้หนูตายอยู่ในกรงบาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันไม่บาปนะที่จะทําให้มันใ ห, ให้มันตายอันจะเป็นการหมกคร่องของเราแต่ไม่ไม่ถือว่าบาปเพราะบาปจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีเจตนา นี่ครับตั้งใจศีลแปดถือที่บ้านได้หรือไม่ครับศีลถือได้ทุกแห่งทุกคนนะอยู่ที่ว่ามันง่ายาก ง, ง่ายต่างกันนั่นเองอยู่ที่บ้านถ้าเราอยู่คนเดียวก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าเราอยู่บ้านกับกับครอบครัวกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวเขาจะกินข้าวเย็นขึ้นมาพอเห็นเขากินข้าวเย็นแล้วก็อดที่อยากจะอยากขึ้นมาไม่ได้เห็นเขาดูทีวีเห็นเขาต้องนาทําเพลง แฮปปี้เบิร์ตเดย์จัดงานเลี้ยงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็จะรู้สึกยากต่อการที่จะรักษาสินแบแต่ถ้าเรารักษาได้ก็ไม่มีปัญหาเลถ้าจิตเราเข้มแข็งความที่อะฝืนความอยากต่างๆได้ก็รักษาได้ที่ไหนก็ได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือที่ที่ไม่มีคนก็เสพรูปเสียงกลิ่นรดกันคือไปที่ที่วัดน่ยเพราะทุกคนถือสินเท่ากันถือสินแบกเยอะมากกว่านนไปตอนเยก็ไม่มีใครกินข้าเย็น ไม่มีใครดูทีวีไม่มีใครร้องลั่นทำเพลงมีแต่ลงบทไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันคุณเจยเฮียงครับทุกวันนี้อยู่กับบ้านไปไหนไม่สะดวกเพราะเป็นคนพิการเช้ามาก็ขายของอยู่ตลาดอยู่บ้านกับหลานและแม่แม่แมแมบ่นทุกวันแต่หนูไม่โกรธเพราะท่านอัดอั้นในใจหลายอย่างมีลูกหลายคนแต่ลงที่หนูหนูก็ไม่โกรธพูดกับหนูไม่ดีหนูก็ไม่โกรธเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคําสอนพระอาจารย์ช่วยหนูได้ครับ เก่งมากถ้าทํอย่าให้ได้ก็ดีใจด้วยเพราะเราไปโกรธก็ไม่ได้ทําอะไรไปห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีเขาจะพูดก็จะดา่าก็วันนี้เขาก็อยากจะระบายไปเท่านั้นเองล้วก็ถ้าเราไม่โกรธได้ถือว่าเราเก่งแสดงความยินดีด้วยการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมได้ไหมครับถ้าทําด้วยสติก็ได้อยู่ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทํา แต่จะได้สติเพียงครึ่งเดียวคือสติที่รู้ว่ากําลังทําอะไรแต่ไม่สามารถหยุดความคิดได้เพราะเวลาทํางานต้องใช้ความคิดจงงานที่เราทําด้วยที่เวลาเราทําบัญชีแล้วเราวิเคราะห์ถ้าเป็นหมอก็อาจจะวิเคราะห์คนไข้ว่าคนไข้นี้เขาเกิดจะไม่สบายเพราะโรคอะไรมันต้องใช้ความคิดก็จะได้สติแบบครึ่งเดียว <Okay. S 1> คือมีสติรู้อยู่ว่ากําลังทําอะไรทําอะไรจะไม่ผิดพลาด แต่ยังต้องใช้ความคิดอยู่ก็จะไม่สามารถเอาสติแบบ น, นี้มานั่งทำนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พอเรานั่งสมาธิก็ยังอาจจะไปคิดถึงคนไข้คิดถึงงานที่ทําอยู่ต่อไปได้คุณอู๊ตครับเวลาเจ็บปวดจากการปว่วยเราจะอยู่อย่างไรให้ใจยอมรับได้ครับก็ <S <S <S อยู่อย่างสงบไงทำใจให้ให้นิ่งให้สงบแล้วก็ยอมรับความจริง ถ้าเราจิตเราสงบมีออเบขาแล้วเรามีปัญญาว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาพระเจ้าทรงสอนว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ปัญหาคือใจเราไม่ยอมรับความจริงนนี้เพราะไม่มีโอเบคาต้องฝึกสมาธิมองมาให้จิตนิ่งให้สงบแล้วจะมีโอเบขาขึ้นมาใช้จิต พิจารณาร่างกายขอให้จิตทํางานถูกไหมครับมขนาพเจ้าทำมาเป็นงานฉันพิจารณาร่างกายแล้วขอให้จิตทํางานมันก็เลยเราต้องใช้จิตศึกษาร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญาให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตัวเราของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นเวลามันไม่เที่ยงเวลามันแก่มันเจ็บมันตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็เราก็ต้องอย่าไปถือว่ามันตัวเราเวามันแก่มันเจ็บมันตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่มไม่เจ็บไม่ตายนี่คือการพิจารณาร่างกายด้วยจิตคุณอารยาครับเราจะปลอบใจคนที่เป็นมะเร็งยังไงดีเราพูดเรื่องธรรมะให้เขาฟังบ่อยๆครับก็ อ, อยู่ที่เขาเขา อ, อยากให้เราปลอบใจเขาหรือเ ป, ปล่าั้าก็าไม่อยากให้เราปลอบใจเราก็พูดอะไรไม่ได้ เราต้องลองเชิญถามเขาดูคุยเขาดูว่าสนใจธรรมะไหมธรรมะนี่นดีนะถ้าเข้าใจหลักธรรมแล้วจะไม่ค่อยทุกทรมา ก, กับการเจ็บไข้ยในป่วยแต่ถ้าเข า, เข า, เขาไม่สนก็ไม่อยากจะรู้ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้คนที่เป็นอัลไซเมอร์จะภาวานานได้อย่างไรครับไม่ได้เพราะไม่มีสติคนไม่มีอาลไซเมาร์แสดงว่าไม่มีสติถึงจาอะไรไม่ได้ คุณหนุ่มน้อยครับคนที่เห็นแก่ตัวบาปกรรมไหมครับคำว่าเห็นแก่ตัวนี่มันมีหลายระดับนะเกิถ้าเห็นแก่ตัวเพราะมันมันเป็นหน้าที่เช่นนดูร่างกายเราเนี่ยเราก็อันนี้เป็นไม่เราไม่เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวทุกคนต้องเลี้ยดูร่างกายของตนทุกคนต้องช่วยตนเองต้องไปศึกษาไปหาความรู้ไปเรียนหนังสือทุกคนต้องทํางานเอง อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวก็คือเวลาที่เราทำแล้ ว, ลวเอาละทารเปียบพูดหรือเราไม่ยอมทาภาระหน้าที่ของเราป่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของคนอื่นไปอย่างนี้เนจเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวอยากทำบุญให้ญาติจะทำสังฆทานหรือนั่งสมาธิแล้วนึกถึงญาติแบบไหนญาติถึงจะได้บุญจากเรามากกว่ากันครับ อ, อ๋อทาทานง่ายมากกว่า นั่งสมาธินี้ร้อยทั้งร้อยยังไม่ได้ผลยังไม่ได้จิตยังไม่รวมเป็นสมาธิยังไม่เกิดบุญขึ้นมานั่งบปยี่สิบปีก็ไม่ได้รับประกันได้ถ้าเป็นคารวาเห็นถ้าอยากจะทําบุญก็ส่งไป ท, ทาําทานทําทานนี่เหมือนฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไปที่แมคโดนัลด์สั่งปุ๊บเขาจัดของใส่ถุงมอบให้กับเราเลยแต่ถ้าอยากถ้าอยากจะกินอาหารจีนนี่ต้องไปนั่งรอ้อให้เขาูุตริต้องไปสั่งจองไว้ก่อน คุณสุริยาครับอธิบายสภาวะธรรมจิตรวมเป็นอย่างไรเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์จะเกิดเองกระผมเคยฟังเทปของหลวงตามหาบวัวเทศแต่ยังไม่เข้าใจขอความเมตตาพระอาจารย์ครับอ๋อจิตเราต้องมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดนั่นเองเช่นพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราสามารถมีสติอย่างต่อนเนื่องมีพุโทโธอย่างต่อนเนื่องจนใจไม่สามารถไปคิดเรื่องอะไรได้ใจก็จะบบนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมา ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเอายาพ่นฆ่าแมลงศัตรูพืชก็ต้องบาปด้วยใช่ไหมครับถ้ามีเจตนาก็บาปนะถ้าต้องมีเจตนาก็ตายก็บาปคำถามติดกันบอกว่ายุงกัดเราฆ่ายุงก็บาปใช่ไหมครับบาปบาปคือแต่มันมีบาปมากบาปน้อยอยู่ที่บุคคลหรือสัตว์ที่เราฆ่าถ้าเขามีคุณค่าน้อยบาปก็น้อยถ้าเขามีคุณค่ามากบาปก็มาก เช่นข้าพ่อข้าแม่นี่เป็นผู้มีพระคุณกับเรามากที่สุดเนี่ยก็จะได้รับบาปหักที่สุดอนดันตริยกรรมอนันตริยกรรมคือข้าผู้ที่มีพระคุณมากเช่นข้าพระอรหันต์เนี่ยข้าพ่อข้าแม่แล้วก็ทำร้ายร่างกายของพระพุทธเจ้าทําให้ห้องเลือดแค่นี้ก็ถือว่ามันเป็นบาปหนักเพราะบุคคลเหล่านี้เขามีแต่คุณประโยชน์ให้กับโลกช่วยเหลือโลกช่วยให้โลกพ้นทุกข์ แล้วก็ไปทำร้ายเขานี่แสดงว่าเรานี่อหลงมากโกรธมากกิเลสมากมองไม่เห็นคนของพู้ที่มีพระคุณกับเราคุณกิกส์ครับถ้าอยากได้แต่ไม่ได้มีความผิดหวังเกิดขึ้นเราก็รู้ตัวว่าเราผิดหวังเศร้าเสียได้แต่ไม่ได้คิดว่ายอมผิดศีลเพื่อให้ได้มาคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ก็มีความหวนคิดเสียดายอยู่เนืองๆอย่างนี้มีผลอะไรไหมครับก็อย่างน้อยไม่ไปทาําบาปเช่น mm hmm. แต่ถ้ายังมีความเสียดายอยู่ก็สแสดงว่ายั ง, ย, งยังไม่ได้หยุดความอยากแบบเต็มที่ยังมีมีบางส่วนมันมันยังอยากได้อยู่มันก็เลยเสียดายอันนี้เป็นเพราะาอุบเบกขาเรายังมีกําลังน้อยแถ้าเราฝึกสมาธิได้มากขึ้นอุบเบกขามีกําลังมาก ่อาไปมันก็จะหยุดความอยากได้ร้อยเอร์เซ็นเวลานั่งสมาธิจิตจะฟุง้งใช้เวลานานกว่าจะนิ่งดูลมได้เป็นแบบนี้ทุกครั้งพยายามแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเราไม่ฝึกสติมาก่อนไงการจะนั่งสมาธิให้จิตลมอย่างง่ายไดย้รวดเร็วนีนเนน้เราต้องฝึกสติมาก่อนก่อนที่เราจะมานั่งนั่งปฏิบัตินี้เขาจะฝึกสติตั้งแต่เรียนตาขึ้นมาเลย แต่นขึ้นาก็จเจริญพุโทโธพุโทโธภายในใจพอมาถึงเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะหลงได้ภายในห้านาทีสิบนาทีพ่ามีสติคอยสกัดกั้นความคิดอยู่ตลอดเวลาความคิดมีเหนือน้อยมากพอมานนิ่งนิ่ ง, งเฉยๆจิตไม่ต้องทําอะไรมันก็หลงได้ง่ายได้เร็วครับถามติดกันบอกว่ากังวลเครียดนอนไม่หลบับนั่งสมาธิแล้วจิตก็ยังฟุ้งซ่านพอจะมีหนทางช่วยไหมครับก็คําตอบนี้ ก็นอนสมาธิไปแค่นั่งสมาธิมันมันยังเื่นอยู่ก็นอนสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือพุโทโธพพุทโธไปถ้าเรามีความคิดได้ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะหลับได้แต่เวลาครับเ ว, เวลาที่ทํานี้ต้องมีข้อแม้อยู่อย่างอย่าไปอยากหลับเพราไมไอยากหลับมันยิ่งเครียดยิ่งไม่ยิ่ ง, ง, ง, งไม่หลับเลยทำไปไม่รู้ไม่ชี้หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แต่ขอให้เราอยู่กับการภาวนาไป อ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจิตก็จะเลี้ยงนั่งต่างๆพอจิตเลี้ยงนั่งต่างๆมันก็จะเคาะมันก็จะเคลิ้มหลับไปยิ่งอยูอย่ยยในท่า น, นอนมันก็จะสบายคุณสาธิตครับมีแมวจอนจัดมาที่บ้านแล้วเราก็เลี้ยงเอาไว้ไม่ได้จับขังไว้ในกรงต่อมาถูกหมากัดตายพอออกไปเล่นนอกบ้านอย่างนี้เราบาปไหมครับหรือว่าเราจะจับข่าขังไวไ้ในกรงดีกว่าครับก็ ถ้าเราเป็นเขาเราจะเอาอยัางไงดีอ่ะอยากถ้าอยากปลอดภัยก็ต้องอยู่ในกรงมาอยู่ในคุกก็ไม่ปลอดภยอยัยเองเราก็ไม่เอาอ่ะเราก็ยอมอยู่นอกคุกดีกว่าเสี่ยนตายดีกว่าเนี่ยอย่างไไน้อยไปไหนมาไหนได้ทําอะไรได้แมวก็แมวก็เหมือนคนนี่แหละไม่มีใครอยากจะถูกจับขังในกรงหรอกไม่เชื่อลองเปิดกรงดูสิจับเอาไว้ในกรงแล้วเราเปิดประตูกรงไว้อยูอ่เลยมันไม่อยู่หรอก ถ้ามันจะอยู่ก็ตอนที่มีอาหารในกรงเวลามันหิวมันก็จะกลับมากิน้แต่ถ้ามันไปที่อื่นได้มันมีมันมีอาหารที่อื่นกินได้มันก็ไม่กลับมาการภาวนาและวิปัสสนาต้องทําไปพร้อมๆกันไหมครับการภาวนาเนี่ยมันมีแบ่งเป็นสองตอนไงสมถะกับวิปัสสนาไม่ได้ทําพร้อมกันสมถะคือทำใจให้สงบยากกันทำเป็นคนละวิชากัน เวลาวิปัสสนาเราต้องใช้ความคิดเวลาทำสมถะภ า, าวนาเราต้องหยุดความคิดนั่นเป็นการปฏิบัติที่สวนทางกันทำพร้อมๆกันไม่ได้ต้องแยกกันทำอย่างใดอย่างหนึ่งคุณพงพังครับถ้าคุณพ่อไม่สบายอยู่ไอซูต้องภาวนาอย่างไรครับภาวนาเพื่อใครเพื่อเราก็ชอบคุณพ่อถ้าเพื่อคุณพ่อให้ภาวนาไม่ได้ คุณพ่อต้องภาวนาเองคุณพอ่อเราทําใจให้สงบหรือทำอย่งจะใช้ปัญญาวิปัสสนาภาวนาก็ยอมรับว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดายุ่งคนไปไม่ได้ถ้ายอมรับได้ใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราต้องการทําใจให้เราไม่ทุกข์กับความไม่สบายของพอ่อเราก็ต้องภาวนาแบบเดียวกันทําใจให้สงบหยุดความคิดหรือถ้าเราสามารถ ตรงได้อยอมรับว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาลงพ้นไปไม่ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่คุณพ่อเป็นอะไรไปพอสวดมนต์เสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลเอ่ยชื่อผู้เสียชีวิตบุญจะถึงผู้เสียชีวิตไหมครับบุญมันยังไม่เกิดเนี่ยการสวดมนต์นี่มันได้อย่างมากก็แค่สติเล็กน้อยใช่จิตไม่นมเป็นสมาธิมันยังไม่เกิดบุญ นัก เ, เรียนดูลองว่าก่อนสวดกับหลังสวดนี่ใจเรารู้สึกยางไงสงบไหมมันไม่สงบกรอกมันไม่เป็นอันปรญหาสมาธิมันไม่ไม่เป็นบุญครับคุณสัสิวิมนครับพยายามนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ยังไม่เก่งได้แค่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วก็ฟุ้งซ่านมากเลยสลับกับการสวดมนต์บทต่างๆแต่พอคล่องปากใจเราก็ไปคิดเรื่องอื่น ท, ทั้งที่ท่องบทสวดอยู่เลยครับ ก็เปลี่ยนหมดหมดไปนี้นะนั่งสมาธิแล้วหลักสักระยะานหนึ่งจิตว่างลมหายใจแผ่วลงนั่งนิ่งตัวแข็งพิจารณาอย่างไรต่อดีครับก็ไม่ต้องพิจาริก็พภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าใช้คบุริกรรมพุทธก็บริกรรมต่อไปจนกว่าจิตจะนิ่งสงบว่างแล้วก็เย็ยนสบายมยีูเคบคคาขึ้นมา เดินทางสายกลางในพุทธศาสนาหมายถึงอย่างไรครับก็พุทธศาสนาเป็นทางสู่การดับทุกข์ซึ่งวิธีการดับทุกข์ในโลกนี้มีสามวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็เอาความสุขมาดับความทุกข์่นเวลาเราไม่สบายทุกใจแล้วก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงจัดปาร์ตี้กันอะไสมัยนี้งานสมจึงจัดปาร์ตี้กันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องการให้ใครเศร้าโศกเสีสยใจ แต่มันก็มันก็มันก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันกกลับมาทุกข์ใหม่อยู่ดีแล้วอีกทางนี้ก็ทรมานนั่งกายด้วยการวังคับให้นั่งบนที่นั่งที่แหลมแหลมคมให้มันเจ็บให้มันปวดหรือเอาของแหลมมาทิ่มทางปากทางลิ้นหน่ยเพื่อที่จะได้ทําให้ใจนั่งกายทุกข์แล้วจะทําให้ความทุกข์ทางใจหายไปมันก็ไม่หายพระุทเจ้าท่านบอกว่า อย่าอย่าไปแก้ความทุกข์ด้วยสองอวิธีนี้ที่สุดโตให้มันแก้โดยทางสายกลางคือทางแห่งทานศีลภาวนาหรือศีล ส, สมาธิปัญญาถ้ายังมีงานอยู่ก็ต้องทำทางให้หมดไปก่อนเราถึงจะสามารถมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ถือศีลห้ามีโอกาสนิพพานได้ไหมครับศีลห้ายังไม่พอหรอกศีลห้าอย่างเดียว ทำได้ก็คือการไม่ให้ไปไม่ให้ไปเกิดในอาบายนั่เาานเองรักษาศีลได้โดยที่ไม่ไม่ด่าพ้อยะก็จะไม่มีบาปกรรมที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอาบายและยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะยังไม่ได้กําจัดตัวเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆ คุณวลินละดาครับเมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยเราอยากจะดูแลแต่พ่อแม่มักจะไม่ค่อยฟังและทำตามความอยากนี้คืออยากให้สุขภาพเขาดีขึ้นพอเขาไม่ฟังเราก็จะรู้สึกทุกข์แบบนี้เราควรจะละจะวางอย่างไรครับเราต้องเปลี่ยนวิธีดูแลท่านเดยเราอย่าไปดูแลแบบเราเป็นพ่อเป็นแม่ท่านไปสั่งให้ท่านทาอย่างนู้นทำอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่วิธีดูแลพ่อแม่วิธีดูแลพ่อแม่ที่ถูกต้องคือคอยรับใช้ท่าน ท่านทาอะไรไม่ได้ท่านต้องการให้เราทําอะไรให้กับท่านเราก็ทําคือเราเราต้องมาเป็นเด็กรับใช้คอยอยู่ใกล้ๆท่านแล้วคอยดูว่าท่านต้องการอะไรถามท่านอยู่เรื่อยๆต้องการให้หนูทําอะไรทานอะไรจะกินข้าวหรืออะไรเพราะว่าหรือเรารับคำเรารับคําสั่งไม่ใช่ไปสั่งให้พ่อทําอย่างนั้นพ่ออยากกินให้นั่นพ่ออยากกินให้นี่อย่างนี้เขาก็ลาคาเนี่ยเขาก็เป็นพ่อเราก็าเลี้ยงเรามาก็าสั่งสอนเรา อล้นี้เราจะมากลับทำตัวเป็นพ่อแม่สั่งสอนพ่อแม่อีกทีแล้วก็ไม่ต้องการให้เรามามามามามาดูแลเขาแบบนี้การตายตายแล้วเผาเลยได้ไหมครับผิดหลักพุทธศาสนาหรือเปล่าครับไม่ผิดหรเผาได้ทันทีถ้าอยากจะเผาอย่างหลวงตาแม่แม่ของหลวงตามหาบัวก็ตายตอนเช้าหลวงตาบอกเดี๋ยวบ่ายนี้เผาได้เลย ไม่เก็บญาติพี่น้องบอกข อ, ขอสักคืนนึ่งจะได้บอกญาติพี่น้องทัง้งหา ล, าาลายเขาจะได้มาคลวะศพก่อนนั่นก็แปลว่า น, านิย่าให้เก็บไว้คืนนึงตั้งสพไว้ที่บุญศาลาวัาตรามณฑ์แต่ไม่มีการสวดไม่มีการอะไรต้องมาให้คนมาคารวะท่านเองแล้วบอกว่าเวลาเราตายอย่ามาสวดสวดกุศลาให้เรากุศลาต้องสวดตอนที่ยังไม่ตายกุศลาแปล ว, ว่าความฉลาด การสวดกุสลามายถึงศึกษาธรรมะให้เกิดความฉลาดขึ้นมาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขอังอนัตตาจะได้ไม่ทุกข์นี่คือกุกุศลกุศลาที่แท้จริงคือการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเราได้มานั่งส่วนกุศลารธรรมะกุศลารธรรมะคนฟังคนที่มาเป็นแขกไม่ได้ฟังกันนั่งคุยกันคนตายที่อยู่ในนรกก็ฟังไม่ได้ไม่รู้สวดไปให้ใครไม่มีประโยชน์ ไม่ประโยชก็คือฆ่าเนียพระจะได้รับเงินทำบุญก <laughs> ลับบ้าแล้วงานหลวงตาก็มีสวดอยู่ดีใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> ก็นกศนมันเด้อเองอะกศน์มันเด้อชวนกระแสะของความต้องการของทางโลกไม่ได้ทางโลกก็ยังอย่างจะทำแบบทางโลกอยู่ต้องมีการสวดมีทำพิธีกรรมอะไรต่าง คุณซิลิเกตครับปฏิบัติแล้วสติหลุดเหมือนจิตตกไปอีกภพภูมิหนึ่งที่ต่ํากว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะเรารู้สึกว่าเรามีศีลไม่ครบครับก็รักษาสติเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถรักษาศีลได้แล้วก็จะดึงจิตกลับขึ้นมาได้พยายามเจริญสติให้มากขึ้นคิดจะลักเด็ดมะม่วงข้างบ้านโดยไม่ขอแต่ระ ง, งับไม่ทําผิดศีล ไม่ยังไม่ได้ทำนะครับผิดสีลห้าหรือยังครับถ้าไม่ัมีการกระทำก็ยังไม่ผิดนะคุณคณิ t h าครับลูกป่วยพ่อของพ่อลูกปู่ลูกป่วยครับเป็นเส้นตึงขึ้นหัวพอทำสมาธิจะรู้สึกมึนทื่อที่หัวเป็นมาสักระยะจนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเหลือแต่ความดันการทำสมาธิช่วยให้ความดันหายได้ไหมครับ ถ้าความดันมันเกิดจากความเครียดก็ช่วยได้เพราะวลาจิตสงบความเครียดก็จะหายไปความความดันก็จะลดลงมาแต่อยู่ที่ว่าทำทาจิตให้สงบได้หรือไม่ทำให้ความเครียดหายไปได้หรือไม่คุณแม่เสียไปแล้วหนึ่งปีดวงวิญญาณของท่านจะยังอยู่ไหมครับทำบุญได้ท่า น, ท, านท่านจะได้รับอยู่ไหมครับก็ อ, อยู่ที่ว่าท่านไปอยู่พบนไหนไง ถ้าท่านเป็นเทวดาท่านก็ไม่ต้องการบุญของเราถ้ามีบุญที่ท่านเกิดตัวไปถ้าท่านอยู่ในอบายก็ต้องเป็นเต๋ถึงจะมารับบุญได้ถ้าเป็นเกิดเป็นในราจฉานก็ไปหากินเองบุญก็คืออาหารได้พอมีร่างกายก็สามารถไปหาอาหารกินเองได้ถ้าอยู่ในนรกก็รับบุญไม่ได้เพราะตอนนั้นมันทุกขทรมารจากไฟนรกหรือเป็นอาสุรกายก็ไม่อยากจะรับบุญ อยากจะให้ความกลัวหายไปมากกว่าเพราะฉะนั้นบุญจะได้ก็ต้องเป็นเปรตอย่างเดียวถ้าไม่ได้เป็นเปรต ก, ก็จะไม่มีการรับบุญที่อุทิศไปคุณชมขำครับเวลาคนจะสิ้นใจควรให้ฟังบทสวดใดเพื่อให้จิตไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือว่าสงบครับให้เขาพุโทโธดีกว่าให้เขาพุโทโธแล้วดูลมหายใจเขา ดีวยการฟังบทสวดมนต์แต่ถ้าถ้าทาไม่ได้ก็เปิดบทสวดมนต์ไหนก็ได้ที่เขาชอบถามเขาอยากจะฟังบทไหนหรือถ้าเขาไม่เคยชอบเลยก็ชอบไหฟังเพลงอย่าไปเปิดเพลงให้เขาฟังแล้วกันนะพอฟังเพลงมัแจะเศร้ามันจะไม่สนุกเราจะระงับความโกรธหรือความไม่โกรธอย่างไรครับก็ด้วยการให้อภัย เวลาใก็ทำเราก่อธก็ว่าถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่ามาแล้วกันอย่ไปโกรธตอบคุณจิรวัตรครับทุกใจเหลือเกินเพราะคนอื่นทําให้ทุกใจครับไม่ใช่คนอื่นทําให้ทุกใจหรอกความอยากของเราที่ทําให้เราทุกใจเพราะคนอื่นก็ไม่ทําตามความอยากของเรานั่นเองอยากให้เขาไม่ด่าเราไม่ตําหนิเราไม่รังแกเราเราก็ตำหนิเรารังแกเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีความอยากให้เขาไม่รังแกเราไม่ตำหนิเราปอยให้เขายินดียินดีให้เขารังแกยินดีให้เขาทาร้ายเราเราก็จะไม่ทุกข์ทาใจไปปฏิบัติถือศีลแปดที่วัดมาสามคืนครับส่งบุญถึงผู้ล่วงลับไหมครับไม่ถึง เ, ร, เราก็ยังไม่ได้ผลนะคุณคามีโอ้ครับยมขอกลับเรียนถามข้อที่หนึ่งนะครับ ความเชื่อว่าทำบุญภายในหนึ่งร้อยวันคนที่เสียชีวิตยังได้รับบุญอยู่อย่างนี้จริงไหมครับคือรับบุญอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็รอรับอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะร้อยวันห้าสิบวันไม่กี่วันก็ตามเขาก็ต้องพึ่งบุญของเราดันั้นสามารถทำบุญได้ตั้งแต่วันที่เขาตายปไปเลยถ้าเขาเป็นเปรตนะแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นพบอย่างอางนเขาจะไม่รับบุญของเรา ข้อท eh um> uh, ี่สองคนที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วลูกหลานทำบุญไปให้ยังได้รับไหมครับก็เช่นกันอยู่ที่ว่าเขาเป็นเขาอยู่เขาเป็นเบรหรือเปล่าเขยังเป็นเบรย์อยู่หรือเปล่าถ้าก็เป็นเบรย์เาก็จะรับได้ใส่บาตรทาบุญแล้วไม่ได้กวดน้ําใช้จิตละลึกถึงผู้ล่วงลับเลยได้ไหมครับได้เหมือนกันคุณจุไรรัตครับคําว่าอริยมรตประกอบด้วยอะไรบ้างครับ กประกอบด้วสมาธิแ่นปัญญาสินสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าตัตัวปัญญานี้จะเปลี่ยนไปตามขั้นของมรรขั้นแรกก็จะปัญญาก็จะพิจารณาขันะไม่ใช่ตัวตนขั้นที่สองก็จะพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นสุภาพขั้นที่สาก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าสามารถพิจารณาจนสามารถกำจัดการมารคะได้อย่าง เป็นที่ตลาดเวลาขั้นที่สองนี้ยังพิจารณาไม่ได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถทําให้เบาบางลงไปได้อันนี้อริยมรรคจะต่างกันตรงที่ปัญญาแต่ศสียงและสมาธินี้เหมือนกันเสียก็ต้องบริสุดสมาธิก็ต้องมีฌานเข้าฌานาาาได้เข้าฌานศียงเป็นอนาสมาธิแต่ส่วนตัวปัญญานี้มันจะเปลี่ยนไปเหมือนข้อสอบของของระดับการเรีย น, นวิชา วิชาวิชาเรียนมันเปลีป่ยนไปแล้วเราจะทําทข้อสอบวิชาอังกฤษทับคณิตศาสตร์นี่มันต้องใช้ปัญญาคนละชนิดชนิดกันจต่เนี่ยเราจะคาจัดสังโยชน์แต่ละชนิดมันก็ต้องใช้ปัญญาที่ต่างกันไปมีอาการป่วยแล้วจิตตกมากเลยครับจะต้องทําอย่างไรดีครับก็จเจริญสติให้มากเดินตามขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธ เดี๋ยวสักพักมันจิตก็จะกลับขึ้นมาสู่สภาพปกติได้คุณปฏิโมครับผมทำสมาธิชอบเผลอคิดพอรู้สึกตัวก็กลับมาดูลมเป็นแบบนี้ตลอดโปรดแนะนำด้วยครับต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่งสติเราไม่กำลังไม่พอที่จะทำในตอนที่เรานั่งได้เน้นต้องพยายามฝึกสติให้ให้ได้บ่อยๆตลอดวันตลอดทั้งวันเลยเพอ พอพอนึกน่าออกเราต้องเจริญสติกับพุทโธพุทโธอะไอย่างนี้แล้วเวลามานั่งจะไม่ก่อยเผยด้ลยทําไมการทำวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นบุญกุศลมากกว่าการทําบุญทําทานครับความสุขที่ได้มันต่างเหมือนกับธนบัตรใบละห้าสิบาทกับใบละพันเนี่ยมันมันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนมันบุญเหมือนกันแต่คุณค่ามันต่างกัน คุณเครับคนที่ผิดศีลข้อห้านี่คือกรรมเก่าใช่ไหมครับไม่หรอกศีลข้อห้านี้ก็จริงก็เป็นเกิดจากนิสัยก็ได้เพราะอาจจะอาจจะมีนิสัยเดิมมาติดตัวมาก็ได้เช่นชาติกอดเคยชอบดื่มสุรายาเมาเอามาเกิดชาตินี้ก็ดื่มต่อชอบอะไรมันก็จะเก่เามาสิ่งที่ชอบมีคําถามว่าสมาธิอยู่ตรงไหนครับ อยู่ที่จิต่ยจิตที่สงบจิตที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตสักแต่ว่ามรู้เฉยๆต้องปฏิบัติถึงเนรู้้อยู่ตรงไหนเพราะตัวจิตไม่มีที่ไม่มีสถานที่เหมือนร่างกายแต่มันแต่พูดปฏิบัติจะรู้ได้เห็นได้ที่เรียกว่าสันติโก คุณอครับคนที่มองทุกคนเป็นคนดีจะมีโอกาสถูกหลอกและเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้พระอริยสงฆ์ท่านจะมองเห็นเฉพาะส่วนดีของผู้อื่นหรือครับท่านไม่เกลียดใครนะครับ อ, อ๋อท่านเห็นทั้ง ท, ทุกส่วนที่เท่าที่จะเห็นได้โดยผ่านพฤติกรรมและประวัติของเขาแต่ท่านก็นจะไม่เกลียดคนที่ชั่วไม่ใช่จะเลือกชาอบแต่คนดีคนเชื่อไปเกลียดท่านก็ไม่เกลียดใครท่านก็เพ่งแต่ปองสังเวชว่าคนเชื่อมันก็ต้องไปรับผลบาปของมัน แต่ถ้าไม่เกียดถ้ามีาความจำเป็นจะต้องพบปะกานณ์เนื้อทักทายกันก็สามารถทํากันได้อยู่แต่ถ้าจะให้คบค้าสมาคมด้วยอาจจะไม่คบค้าสมาคมด้วยเพราะคนชั่วถ้าเราไปคบกับเขาเดี๋ยวก็จะดึงเราไปในทางที่ชื่วได้เวลาเห็นรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยแล้วเราแผ่ไม่ตายเขาได้ไหมครับ ไม่ได้เราการแผ่เมตตาต้องแผ่กับคนที่เขาพบปะกับเราเช่นเดินไปกลางถนนเราเจอขายก็ยิ้มให้เขาทักทายเขาเนี่ยแผแ่เมตตาได้อยแต่ไม่แผแ่เมตตาให้คนที่นอนอยู่เราพยาบาลกาไม่รู้นเรื่องเราแผแ่เมตตาให้กับเขาคุณวิทย์ฟรีครับวันนี้ขอความรู้จากพระอาจารย์เราเห็นแล้วว่าเขาคือตัวทุกข์ แล้วเราจะปรับใจเรายังไงให้อยู่กับเขาได้ครับก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเลยถ้าเขาเป็นซ่อมก็ให้เขาเป็นซ่อมไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยนั่นเองก็อยู่กับเขาได้แต่ถ้าตามใจเราพยายามอยากจะให้เขาเป็นกล้วยอยากให้เขาเปลี่ยนเราก็จะทุกกับเขาไปเรื่อยในกรณีที่คนเขายืมเงินเราไปช่วงที่เขามีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เขารวยแล้วแต่ไม่ใช้เงินคืนอย่างนี้เขาบาปไหมครับ บาปสิเพราะว่าโกหกหรอกลข้อหนึ่งข้อสองนักศัพท์ผู้อื่นไปคุณฟีนิกซ์ครับทํากรรมฐานแล้วลมหายใจหายไปทํายังไงดีครับถึงตรงนี้ที่ลายจะถอนออกมาไม่ก้าวหน้าสักทีติดอยู่ตรงนี้ครับก็ดูต่อไปดูที่จุดเดียวดูที่ตรงจุดที่เคยมีลมอยู่เพราะไม่มีลมก็อยู่ที่จุดลมโดยทั่วไปก็จะว่าตอนนี้ไม่มีลมเท่านั้นเอง ด, ดูต่อไปอยู่กับลมอยู่กับจุดเดียวไปเดี๋ยวสภาพจิตก็จะลมได้ถ้าเราไม่ไปทําอะไรแต่พอเราไปคิดปรุงแต่งไปถอนออกมามันก็จบอย่าอย่าถอนออกมานั่งต่อไปดูจุดเดินไปหรือว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้ดูแนละมีแต่ความว่าไม่มีลมก็ดูไปดูจุดเดินไปคุณเอครับนั่งฟังเทศฟังธรรมน้ําตาชอบไหลจะข้ามารมนี้ได้ไหมครับ ได้เวลาถ้าเกิดจะมีอารมณ์านี้ก็บรรคกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมาก็จะดึงใจออกจากอารมณ์ได้วันพระการถวายผลไม้อาหารขนมที่หิ้งพระสําคัญไหมครับพระกินได้หรือป่าถ้าพรกินได้ก็สําคัญถ้าพระกินไม่ได้ก็ไม่สําคัญคุณคิดบวกครับการทําสมาธิช่วยคลายทุกข์ได้ไหมครับได้ แล้วใจสงบความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะหายไปหมดเลยแต่มันจะหายแบบชั่วคราวเมือนกินยาแก้ปวดเนี่ยแล้วกิอาการปวดขึ้นมาก็กินญาแก้ปวดอาการปวดก็จะหายไปสักสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพอฤทธิ์ของยาหมดอาการปวดก็อาจจะกลับมาใหม่ได้ดังนั้นความทุกข์ทางใจก็สามารถใช้สมาธิดับเป็นพักๆได้เป็นชั่วคราวได้อาจจะไม่ดับอย่างทาวรก็อยากจะให้ความทุกข์หมดไปอย่างทาวรต้องใช้ ใช้สมาธิกับปัญญาควบคู่กันผู้ป่วยติดเตียงควรทำบุญแบบไหนได้บ้างครับนี้ที่เะก็ภาวนาภาวนาดูลงหายใจเข้าออกทำใจให้สงบพิจารณาปัญญาว่าน่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมด า, าแค่นี้ก็ได้บุญเยอะแยะอาจจะได้ขันน้นของพระอริยบุคคลเลย คนเราจะได้เด่นได้ดีได้บรรลุธรรมนี้มักจะต้องอยู่ในสภาวะธรรม ท, ที่ทุกข์มากเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่ยวยหรือว่าเป็นเจอเหตุการณ์ที่อาจจะทาให้ถึงแก่ความตายได้เราสามารถมีสติควบคุมใจให้นิง่งแล้วพิจารณาด้วยปัญญาให้ปล่อยวางได้ก็บรรลุบรรลุได้อย่างพพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพาาระหลานได้เจ็วันก่อนตายเพราะมีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนให้ภาวนาสอนให้ภาวนาให้สงบก่อน เขาจะบอกว่าเราสอนให้พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัเราของเราคุณนัทครับถ้าเรานอนทำสมาธิกำหนดลมหายใจได้บุญเหมือนกับนั่งสมาธิไหมครับอยู่ที่ว่าได้ผลือไม่ได้ผลเนี่ยถ้าจิตสงบก็ได้ถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ได้การสวดมนต์ได้บุญเหมือนกับนั่งสมาธิไหมครับก็อยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบนะ สวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้ลูกลูกได้รับผลบุญไหมครับไม่การแผ่เมตตานีไ้ไม่ได้เป็นการให้บุญเท่าไปการแผ่เมตตาก็คือให้ความให้ความรักความความความยินดีความอบอ้อมอารีก็ให้เขาตอนที่เวลาที่เราโกรธเขาเราก็อย่าไปตีเขาเนี่างทีลูกบันเดอร์อย่างนี้แล้วเราทําให้เราโกรธแล้วเราก็จะตีมันก็บอกเอ้ยถ้าอยากให้เมตตากับลูกก็อย่าไปตีเขา ว่ากลาวตักเตือนได้แต่อย่าไปทําร้ายร่างกายเขานิพพานไปแล้วดวงจิตยังมีอยู่ไหมครับอยู่จิตนี้แหะเป็นผู้นิพพานจิตก็ยังอยู่ต่อไปเปลวลาจิตนี้จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจะไม่มามีร่างกายใหม่ยังต่อไปวิธีรักที่จะลดอัตตามีไหมครับมีทําตัวให้เป็นแจว่ทําตัวให้เป็นธาตุ มองทกคนว่าก็เป็นเจ้าหนา้าที่เราอันนี้ก็วิธีลด อ, อัตราตัวตว น, นการใส่บาตรออนไลน์แล้วเขาถามว่าคนตายได้ไหมครับได้ถ้าเราอุทิศบุญไปเพราะเราเพราะเราโง่เงินปป๊บแป๊บเราก็ได้บุญนะในความศรัทธานะเราก็สามารถอุทิศบุญได้ทันทีเลยทั้งที่เขายังไม่ได้ใส่บาตรให้กับเราก็ตามแต่เราได้ทําบุญแนละ้วเพราะเราได้บริจาคเงินไปแนละ้ว ถามต่อกันเลยบอกว่าตักบาทออนไลน์นี่ผิดวิธีไหมครับไม่ผิดแล้วก็เป็นวิธีที่ถ้าเราอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถใส่บาทได้แล้วมีนคนหนึ่งเขาจะมาทําหน้าที่ให้กับเราเราก็เพ่งตาโอนเงินไปให้กับเขาได้เองคุณเอครับนั่งฟังธรรมตามองหลวงพ่อหูฟังธรรมใจภาวนาพุทโทธภาพจะขึ้นซ้อนๆกันหมายความว่าอย่างไรครับก็ใจมันคิดตงแต่งขึ้นมา เวลาฟังธรรมก็ให้อยู่กับเสียงที่จะดีกว่าไม่ต้องดูภาพให้หลับตาแล้วฟังเพราะประเด็นสําคัญอยู่ที่เสียงเพราะธรรมะมันอยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหลวงพ่อถ้าเราหน้าตาหลวงพอด้วยฟังไปด้วยใจมันก็อาจจะนึกภาพขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะมาซ้อนกันเห็นทางที่ดีก็นั่งหลับตาฟังไปดีกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกับตัวเองเกิดสติบอก ขึ้นมาเองว่าควรทําอย่างไรต่อแบบนี้เป็นผลจากการเจริญกรรมฐานไหมครับก็ต้องมีปัญญาด้วยสิ่งที่ให้ทํำนี่มันถูกหรือผิดเนี่ยไม่ใช่พอสติบอกให้ทําก็ทําเลยโดยที่ไม่ใช้ปัญญาไตารอกองก่อนต้องใช้ปาาัญญาไตรกลองว่าทํานี้ถูกหรือผิดเช่จะเป็นเดื่นสุราเงี้ยถูกหรือผิดเนี่ยไม่ใช่มีสติแล้วก็เมื่อถึงอยากจะเดื่นสุราก็เดื่นเลยอันนี้ก็ผิดอยู่ ต้องทำในสิ่งที่ไม่ผิดทําในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์คุณนาริศาลาครับหนูมีความสงสัยว่าถ้าเราป่วยแล้วได้คุณหมอรักษาให้คุณหมอจะได้รับผลกระทบจากกรรมของเราไหมครับไม่เกี่ยวกันคุณหมอรักษาร่างกายของเราสนใจของเรานีหมือนก็เป็นเรื่องของเราล้นวนๆไม่ไม่ไม่สามารถอมอบใหค้คนอื่นได้ เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความไหวตึงที่ท้ายทอยแล่นไปที่กลางศรีรษะจนตึงจะแก้อย่างไรดีครับอาจจะเป็นเพราะเราเผลอสติเมื่อนั่งโดยที่ไม่ได้ดูลมหรือไม่ได้บริกรรมพุทโธมันก็จะเกิดอาการต่างๆได้วิธีแก้ก็คืออย่าไปนั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องดูลมหายใจนั่งแล้วต้องมีการบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วอาการต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น คุณชัยวุฒิครับหากเราเห็นเพื่อนทําบาปแล้วเราไม่ตักเตือนเราจะมีส่วนในการบาปที่เกอะไหมครับไม่เกี่ยวยันบาปใครบาปมันบริจาคเงินทําบุญแล้วอยากจะส่งผลบุญให้คนเสียชีวิตนึกถึงเขาอย่างเดียวหรือต้องเอ่ยชื่อด้วยไหมครับก็แล้วแต่เราถ้านึกถึงชื่อก็ได้ก็ดีแต่นึกถึงหน้าเขาก็ได้ อให้รู้ว่าเป็นบุคคลบุคคลนี้ก็แล้วกันที่เราจะต้องการอุทิศไปคุณกรเวลาถามว่าพระอาจารย์อุทิศบุญกุศลให้โยมบิดาของพระอาจารย์เองอย่างไรครับอ๋อเราไม่ได้อุทิศอะไรนะล่ลลอให้ท่านเป็นไปตามตามบุญตามกรรมของท่านก็อุทิศเนี่ยทุกครั้งที่เราเลิกถึงท่านเราก็ ทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็จะนึกถึงบิดามารดาผัวญาตายายครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ไม่ได้เจาะจงเพราะตั้งใจจะทําบุญเพื่อ อ, อุทิศคนนี้ให้คนนี้แต่ถ้าเวลาเรามีโอกาสได้ทําบุญเราก็จะ อ, อุทิศบุญไปให้กับบุคคลต่างๆที่เรงรับไปแล้วตอนนี้ป่วยอยู่โรงพยาบาลมาขอรับพรจากพระอาจารย์ครับยมฉายแสงอยู่ครับพระอาจารย์ ก็เนี่ยพรานนดีที่สุดก็คือธรรมะพิจารณาร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแก่แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโลกคนครับแก่เจ็บตายไปไม่ได้ถ้าถ้ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายไนดะ้ใจก็จะไม่ทุกใจก็จะเป็นพระโซดาบันได้คุณสุนทรีครับการบริจาคเลือดเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งหรือไม่ครับใช่ก็เป็นการให้เลือดเนีไย ท่านี้เราอาจจะไม่มีงานเมีเทาแต่เรามีเลื่อดที่เราสามารถไปบริจาคที่โรงพยาบาลได้แล้วก็บริจาคเลือดแทนก็ได้ตายแล้วเผากระดูกควรเอาไปฝังเก็บหรือเปล่าครับแล้วแต่เราจะไปลอยอังคารก็ได้จะไปฝังดินก็ได้อย่างกระดูกของยมแม่ของหลวงตาท่านก็ไปให้ไปโปรยอยู่ใต้ต้นโพให้เป็นเป็นปุ๋ยเลียเ้ยงต้นโพไป ท่านบอกเป็นการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธเจ้าเพราะต้นโพนี่เราถือว่าเป็นัญทายาทของพระพุทธเจ้าท่านตัดสั่งลงที่ใต้คนต้นโพตอดีในวันมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งท่านก็สั่ให้เขาเก็บเก็บขี้เถ้าเก็บอะไรต่างๆแล้วก็ไปโปรยไว้อยู่ที่ใต้ใต้โคนต้นโพคุณวิไลครับศีลแปดทานไอศครีมโยเกิดได้ไหมครับ ถ้าถ้าหลังเที่ยงวันเราไม่ได้แต่ถ้าก่อนเที่ยงวันได้สวดมนต์ไหว้พระทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตท่านได้รับไหมครับไม่ได้หรอกถ้าอยากให้พ่อแม่ได้บุญก็พาแม่พ่อแม่ไปทําบุญดีกว่าจะได้บุญเยอะกว่าคุณแม่เป็นเบาหวานคุณแม่ชอบทานหวานท่านอยากกินเรา ไม่หาให้ท่านเราจะบาปไหมครับเราก็ไม่บาปแต่เราก็อาจจะไม่มีความเมตตาสงสารท่านก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันมันมากน้อยเท่าไหร่ถ้ายังทำให้ท่านได้อยู่ในที่ที่ไม่ทำให้โลกภัยของท่านกำเนิดก็ถับไปแต่ท่านอยากจะได้จริงๆก็ทำไป ให้ท่านสบายใจแล้วก็สบายใจได้รับใช้พ่อแม่ไปสุดแท้แต่จ ะ, จะพิจารณาว่าจะเอาแบบไหนดีจะเอาใจท่านหรือจะอาร่างกายของท่านดีาจะเอาใจท่านก็ท่านต้องการอะไรถ้าไม่มผิดศีลผิดธรรมก็ทำไปคนเอาเงินที่ได้จากการโกงภาษีมาทาบุญบริจาคจะได้บุญไหมครับบริจาคเยอะมากหวังจะได้ลดภาษีด้วยครับ บุญก็ได้บาปก็ได้โกงภาษีนี่ก็ถือว่าบาปแล้วก็การที่ามาทำบุญก็ยังได้บุญอยู่หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่บุญกุศลได้ไหมครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีบุญนั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่โลมอนุญาบุญที่นั้นไดแผ่การดูหนังโป๊เป็นผลเสียต่อการปฏิบัติ ไม่ครับแล้วก็บาปไม่ครับมันก็เป็นการสร้างนิวรณ์ขึ้นมาคือการมาฉันทะทำให้ใจนี้จะมีความอยากที่จะไปเสษกามเลยทไม่มีไม่มีกำลังที่จะไปนั่งสมาธินายคุณเอ็นทีครับปฏิบัติแล้วกายแยกจิตออกมามเป็นดวงใสลอยอยู่กลางอากาศและสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ผิดไหมครับถ้านั่งสมาธิก็ผิดนะ นั่งสมาธิไม่ต้องการให้เห็นอะไรให้จิตสงบว่างเย็นสบายต้องมีมีสติคอยกำกับใจตลอดเวลาเช่นมีพุโทโธพุโทโธหรือการดูลมหายใจแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตมันมากว อ, อย่างนี้นี่คือมันไปการมูรณาไม่ลงมายาเอาหนังมาหลอกเรา ท่นเดิมครับบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันหายตัวรู้มันหายไปหมดเลยส่วนใหญ่จะหายไปหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแต่ยังอยู่ในสมาธิแต่ไม่มีตัวรู้ออกมาจากสมาธิแล้วจะรู้สึกสดชื่นแบบนี้ถือว่าตกผวังใหญ่มีวิธีแก้ไขไหมครับก็มันหลับไงเพราะฉะนั้นได้หลับทั้งสองชั่วโมงมันก็พอตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นถ้าไม่มีตัวรู้มันก็แสดงว่าไม่มีสติพ่าไม่มีสติมันก็หลับทัานอยู่ในผวังหลับ ไม่ใช่พะวังของสมาธิถ้าพะวังของสมาธิจิตจะรู้รู้ลตลอดเวลาว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไงสรสงบหรือไม่สงบเวลาที่กรวดน้ำหลังจากใส่บาตรควรกรวดให้ใครดีครับแล้วแต่เราเราอยากจะกรวดให้ใครแต่นที่โล่งรับไปแล้วนี่เราสามารถอุทิศได้คุณประชาครับ อริยบุคคลเมื่อเผชิญกับนิวรณ์ห้าท่านจะปรับพื้นอย่างไรครับต้องไปถามท่านดูเลยท่านก็ทำาหมือนคนที่ธรรมดาท่านก็ต้องละนิวรณ์ให้ได้อย่างที่เมื่อกี้อธิบายแล้ววิธีละนิวรณ์ทำอย่างไรแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลนะส่วนใหญ่ท่านจะไม่มีนิวรณ์นะถึงเขาท่า น, นมีสตคิควบคุมนิวรณ์ได้ ถ้าเข้าสมาธิจิตมเป็นสมาธิได้แล้วนิวรณต่งางๆก็ไม่มีต่อไปบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือเมตตาใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกบุญที่ยิ่งใหญ่่ก็คือวินุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนิพพานเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณพิชยาครับบอกว่าฟังบทสวดมุกเช้าท่องตามได้บ้างไม่ได้บ้าง กลางคืนก็ฟังเผื่อตายไม่มีใครบอกทางสู่สุคติเลยฟังให้พระสวดบอกทางให้ได้ใช่ไหมครับการฟังบทสวดนี้ไม่ไม่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายก็ไม่มันไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสวดอะไรบอกทางแล้วไม่บอกทางเราก็ไม่รู้เราต้องเข้าใจเช่นถ้าท่านบอกทางเราต้องฟังธรรมจักอันนี้แหละเป็นบทสวดบทที่จะพาให้เราไปนิพพานกันแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของบทสวด เรื่ให้ให้สวดเป็นภาษาไทยให้เราฟังอันนี้เราก็จะมีมีปัญญาสอนสอนใจให้เราไปสู่นิพพานได้แต่จะไปได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เราปฏิบัติตามได้หรือไม่ด้วยไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วจะพาให้เราไปได้จิตสงบช่วงระยะหนึ่งแล้วจะไปสู่การเดินปัญญาทําอย่างไรครับพอเราจิตสงบนี้อยากพิ่ง่ปทาอะไรเราให้จิตออกจากความสงบก่อน ออกจากสมาธิก่อนแล้วพอมาอามาเดินจงกรมแลือมาทำอะไรถ้าอยากจะจะคิดทางปัญญาคิดไปดวงจิตเมื่อแยกออกจากกายดวงจิตนั้นจะไปได้หลายที่คือในภพภูมิต่างๆตามผลกรรมหรือบุญและเป็นสัมภเวสีตามเหตุที่ไม่ครบวาระหรือยอย่างไรครับก็จะไปตามภพภูมิของบุญหรือบาปที่ทําไว้ คุณพ่ออายุ70กว่าปีเดินไม่ค่อยได้ถ้าเกิดมีโอกาสจะไปบวชชีพราหมณ์ให้พ่อพ่อจะดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นหรอไม่ได้เกี่ยวกันถ้าดีก็ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลมนะปบวชชีพรามณ์กันทนำะไมพระอรหันต์ถึงดูมีความสุขตลอดเวลาผิวพรรณผ่องใสเช่นหลวงพุทธหลวงพูทชอบหลวงพุ่แหวนครับท่านไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมอง จะท่านเบิก บ, บานศาสตรบริสุทธิ์ไม่เคยนั่งสมาธิจะนั่งเองเลยได้ไหมครับถ้ารู้จักวิธีนั่งก็นั่งเองได้ถ้าไม่รู้จักวิธีนั่งก็นั่ ง, งไม่ได้ถ้านั่งเฉยๆโดยที่ไม่รู้วิธีก็จะไม่เกิดผลที่ถูกต้องอาจจะเกิดผลที่ไม่ไม่ดีอาจจะเป็นโทษก็ได้เช่นนั่งไปแล้วไปเห็นดวงวิญญาณ น, นั่งเห็นหน้านนู่นเห็นนั่นนี่มา แสดงว่านั่าไม่ถูกต้องะเพราะสิ่งที่เห็นจริงๆนะั้นมันไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นของจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองเนวิธีการนั่งสมาธิด้วยตวอนอย่างได้ต้องรู้จักวิธีนั่งก่อนก็คือต้องรู้จักมีการเจริญสติให้ได้ก่อนเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธได้ตลอดเวลาหรือไม่เวลานั่งก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธอยู่ไม่ให้ปราศจากพุโทโธเวลามีอะไรมาโผล่ให้เห็นก็ไม่ต้องไปสนใจไปรับแล้วให้อยู่กับพุโทโธ ไปจกจิตจะเด่งจะรวมเป็นสมาธิจะว่างจะสงบจะเย็นจะสบายเคยผิดศีลข้อสามา3าคนแล้วเลิกยังบาปอยู่ไหมครับบาปของเก่ามนบาปเดี๋ยวมันก็ต้องถูกวิบากมาจัดการต่อไปถ้ารู้สึกว่าชีวิตมีความทุกข์ข้างหน้ารออยู่แล้วจิตเกิดความกลัวที่จะต้องเผชิญจะต้องทำอย่างไรครับ ก็ปฏิบัติธรรมทํทำจิตให้สงบทำจิตให้มีปัญญาแล้วก็จะสามารถนังน้งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ดวงจิตบันทึกกรรมของการกระทำใช่สันดานของดวงจิตหรือไม่ครับเมื่อได้เกิดใหม่จะนำการกระทำนั้นติดตัวไปแสดงให้เห็นแต่อาจจะผสมกับพฤติกรรมที่ได้รับการเลี้ยงดูมาตามสภาพแวดล้อมด้วยใช่หรือไม่ครับ ก็มันจะบันทึกของต่างๆที่มันทําไว้ในแต่ละภพต่างชาติทําบุญมันก็จะมันบันทึกเอาไว้ทำบาปมันก็จะบันทึกเอาไว้อยู่ในใจแล้วมันดีคืนดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาพอจะดูลมหายใจจะชอบกั้นหายใจทุกทีเลยครับต้องทําอย่างไรครับเราดูที่ท้องอยู่เนี่ย ดูที่ปลายจะมองไม่ได้ดูที่เท้าดูหน้าเท้านูหายใจเข้าก็รู้ว่ายุบหายใจออกก็รู้ว่าพองอาหายใจเข้าก็รู้ว่าพองหายใจออกก็รู้ว่ายุบยุบเนาะพองเนาะไปถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้คำเล่นคำพุโทโธพุโทโธไปแทนก็ได้โดยที่ไม่ต้องดูลมเลยทําไมดวงจิตไม่ดับไปพร้อมกับกายจะได้ไม่ต้องมีภพภูมิและพัดต้องมีภพภูมิในมิติที่สามครับ เพราะเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่มีวันตายแล้วนการนั่งสมาธินั่งนานแค่ไหนถึงจะเกิดบุญครับจนการจิตจะลอเป็นสมาธิขึ้นมาทําไมคนถึงสร้างวัดกุฏิถาวนวัตถุ ก, กันมากเพราะกลัวเมื่อตายไปไม่มีที่อยู่ดังนั้นเมื่อจิตดับจะมีบ้านอยู่ไหมครับก็เขาจะต้องการสร้างสวรรค์สวรรค์ก็เป็นบ้านของจิตวิญญาณ เวลาร่างกายตายไปถ้าทำบุญไว้ก็จะไปอยู่บ้านมันที่เป็นสวรรค์บ้านที่มีแต่ความสุขความสบายคนทำบุญเขาเชื่อยว่าตายไปเขาจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ถ้าเขาได้ทาบุญไม่ได้ทบาบาสนั่งสมาธิไปได้สักทักก็จะชอบนึกถึงเรื่องที่เราเคยลืมรู้ก็พยายามสลัดออกนั่งต่อก็สงบลงเป็นแบบนี้ทุกครั้งต้องทาอย่างไรต่อครับ นั่งพะม่ให้คิดไมให้นึกถึงอะไรให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปเป็นการจิตจะว่างสงบจะเย็นจะสบายบริจาคผ้าห่อศพแบบออนไลน์ได้บุญเหมือนไปทําบุญที่วัดไหมครับได้เหมือนกันแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ไหมครับ นับว่าถ่ายอยู่ตลาดเวลาดูแลตัวเราในการทำบุญทาทานรักษาศีลนี่ก็ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาคือสร้างความสุขให้กับตัวเราทำความดีต่างๆนี่คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเราไม่ทำบาปนี่เป็นต้นขอคำสอนจากพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรให้จิตใจไม่กังวลกับลูกกับทุกๆอย่างที่กังวลครับ ก็มาเพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าเลยก็ต้องตายกันไปกังวลไปก็ไม่ได้เปลี่ยนตามความจริงกังวลไปเดี๋ยวก็ตายไม่กังวลก็ตายงั้นอย่าไปกังวลดีกว่าอยู่อย่างสบายใจอยอมรับความจริงแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นบทไหนดีครับ พุโทโธเอาคําเดียวหรพุทโธพุทโธไปแล้วถ้าอยากจะให้บรรยากกันนี้ก็อิทธิปิโสก็ได้ส่วนพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณไปคุณต้นครับถ้าเราป่วยพึ่งใครไม่ได้ไปพึ่งอยู่วัดปฏิบัติสมควรหรือไม่ครับแล้วแต่ว่าวัดเข้าใจะรับเราหรไหม คนเราส่วนมากจะฝืนดวงได้ไหมถ้าเราต้องเจอกับเจ้ากรรมในเวรเราต้องอดทนจนกรรมกันหมดไปในชาตินี้ใช่ไหมครับถ้ากรรมเป็นส่งผลล้วก็ไปยับยั้งมันไม่ได้แต่เมื่อจะเป็นผ้าอรหันก็ยับยั้งมันไม่ได้เราต้องรับผลผลของกรรมไปเพื่อนเสียเราไม่ใช่ญาติทำบุญดูทิศให้เขาเขาจะได้รับไหมครับได้ถ้าก็เป็นเปถ้าก็รรับอยู่เขาก็จะได้ การหมดอายุไขมีจริงไหมครับแล้วเราสามารถที่จะต่ออายุไขได้ไหมครับก็เวลาหยุดทำหายใจมันก็หยุดอายุไขมันก็จบบางทีถ้าหยุดทำหายใจแล้วเขาปั้มหัวใจขึ้นมาได้มันก็ต่ออายุได้เป็นวิทยาศาสตร์การรักษาลักษณศีลแปดถ้าทําขาดไปหนึ่งข้อถือว่าผิดทั้งหมดเลยไหมครับ ไม่เราก็ผิดข้อเดียวงั้นคุณคุณทําผิดกฎจราจรนะคหมายถึงว่าคุณผิดกฎหมายป่ยปอนบวนอาญาทั้งหมดหรือเปล่ามันไม่ข้อไหนก็ข้อนั้นนะ่ะทําผิดข้อไหนก็มันก็ผิดแค่ข้อนั้นเลยมันจะไปผิดทั้งหมดได้ยังไงมันไม่มีตัดกะเลยไม่มีเหตุผลเลยสามีไม่หยุดเจ้าชู้มีผู้หญิงไปทั่วลูกต้องทําใจอย่างไรครับก็ปล่อยเขาไป ก็จะไม่ทุกข์กับเขายินดีกับการกระทําของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ดีใจเออท้ายีเรามีความสุขก็ขปล่อยเขาทาไปเมื่อกายและจิตตอนมีชีวิตชื่อในไก่ถ้าตายไปจิตแยกจากกายเมื่อเผาชื่อในไก่แต่จิตนั้นยังเป็นในไก่อยู่หรือไม่ครับก็อยู่ที่จําได้หรือไม่จําไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายแล้ว ชื่อในไก่มันก็จะหมดไปเพราะชื่อในไก่เนี่ยเขาตั้งไว้กับร่างกายที่ตายไปแล้วเพอจิตไม่มีร่างกายแล้วก็ก็เลือนในไก่ไปเดินจงกรมในห้องได้ไหมครับได้คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับแม่ไม่ชอบเข้าวัดทาบุญมักเหมารวมคิดในแง่ลบเพ่งโทษทุกอย่างคิดว่าส่วนมากเป็นพุทธพาณิชย์สมบท ทำอย่างไรดีครับก็เป็นเรื่องของท่านจะไปห้ามท่านได้ไงนอกจากว่าเราสามารถพาให้ท่านไปพบกับวัดที่ไม่มีพุทธภาณิชย์วัดที่มีการสั่งสอนวิธีการปฏิบัติธรรมท่านก็จะเห็นวัดอีกในมุมมองหนึ่งก็ได้แต่ถ้าท่านไม่ยอมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ อโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆนฟังธรรมอยู่ด้วยกันในเฟซ820ในยู656ในคลับ8ในติ๊กตอก597รวม 2,081 คนครับอาจารย์ครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแลวจะได้นำออาไปช่วยการปฏิบัติให้ดีขึ้นไปตามลำดับ สำหรับวันนี้การสนนาธ่ามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจรปปิญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอานัออุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดข้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิย น, นาขอจเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ